ในข้อ133หน้า309พระนลก็ถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์เนี่ยพิงจะจะเพึงปฏิบัติในพระศรีระของพระตถาคตอย่างไรนะจะจะแจงปฏิบัติศรีระกิจของพระองค์นี้อย่างไรพระองค์ตรัสว่าอานน์พวกเธออยากขวนขวายเพื่อบูชาศรีระของตถาคตเลย น, นะ คือพระพุทธเจ้าไม่ให้พระภิกษุไปขวนขวายในสริริลักของพระองค์เพราะฉะนั้นพวกเธอจงสืบต่อในประโยชน์ตนคืออรหัตผลนี่นะอรหัตผลชื่อว่าประโยชน์ตนเหมือนนพวกเธอควรตามประกอบตามในประโยชน์ของตนคืออรหัตผลพวกเธอไม่ควรประมาทในประโยชน์ตนมีตนทรงเรียกว่ามีตนทรงไปสละละความอาลัยในร่างกายและชีวิตมุ่งอรหัตผลอยู่เธอ อันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่สําคัญนะนะที่บอกว่าบทว่าอภยาวตาได้แก่ไม่เกี่ยวพันไม่ขวนขวายได้แก่พยายามในพระอรหันต์อันเป็นประโยชน์ที่สูงสุดแก่ตนนะน ะ, ะพรอรหัตตผลเรียกว่าประโยชน์ที่สูงสุดเพราะฉะนั้นเธอจงประกอบเนื่องๆ เ, เพื่อบรรลุพระอรหันต์นั้นเธออย่าประมาทเนี่ยนะเป็นผู้มีความเพียรประกอบด้วยอ่าสามารถรทานเครื่องย่างกิเลส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 พระพิสูจทั้งหลายจะได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบแล้วมุ่งเพื่อความพ้นทุกข์นั่นเองส่วนร่างกายของพระองค์พงษ์ก็บอกว่าอานนท์กษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตบ้างพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตบ้างคฤห บ, บดีผู้เป็นบัณฑิตบ้างเลื่อมใสในตถาคตมีอยู่เขาเหล่านั้นจักกระทำบูชาทำการบูชาสรีระของตถาคตเองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเขาพึงปฏิบัติในสิริรัก์ของพระตรถาคตอย่างไร พระองค์ก็บอกว่าเพ่งปฏิบัติในสรีระของพระตถาคตเหมือนที่เขาปฏิบัติในสิริลัของพระเจ้าจักรพรรดิท่านนลก็ถามต่อไปว่าเขาปฏิบัติในพระสริลักของพระเจ้าจักรพรรดินี่เป็นอย่างไรอานนท์เขาห่อพระสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยผ้าใหม่แว่าใช้ผ้าใหม่มาห่อคั้นห่อแล้วก็ซับด้วยสำลีคั้นซับด้วยสำลีแล้วก็ห่อด้วยผ้าใหม่โดยอุบายนี้ ห่อสรีระของพระเจ้าจากักรพรรดิด้วยผ้าห้าร้อยคู่นะเรียกว่าห่อเสร็จก็เอาสำลีมาซับๆแล้วก็ห่ออีกห่อห่อหอ้อยังงี้ห้าร้อยชั้นนะนะเสร็จแล้วก็เชิญลงในรางเหล็กที่เต็มไปด้วยน้ํามันครอบด้วยรางเหล็กอื่นทําจิตตกาทานด้วยของหอมทุกชนิดถวายพระเพลิงพระสรีรักของพระเจ้าจากักรพรรดิสร้างสถูปของพระเจ้าจากักรพรรดิเอาไว้ในทางใหญ่สี่เพ่งเรียกว่าสร้างเจดีย์อุทิศให้เลยนะ อนนท์เขาปฏิบัติในสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิอย่างนี้แล้วพึงปฏิบัติในสริระของพระตถ า, าคตเหมือนเขาปฏิบัติในพระสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิฉะนั้นพึงสร้างสถูปของตถ า, าคตเอาไว้ในทางใหญ่ทางสี่แพ่งก็เรียกว่าไปทมทําทางไวให้มันเด่นชัดคนไปมาเห็นได้ง่ายส่วนชนเหล่าใดจักยกขึ้นซึ่งมาลายของหอมจนก็คือผงหอมเนี่ยนะ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 ดูก่อนอนนุนเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรพระประเจกสัมพุทธเจ้าจึงเป็นถูปารหะบุคคลบอกว่าชนเป็น mag, อันมากยังจิตให้เลื่อมใสว่านี้เป็นสถูปของพระปเจกสัมพ hey ุทธเจ้านั้นชนเหล่านั้นยังจิตให้เลื่อมใสในสถูปนั Benim ้นแล้วเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์อานนุนเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี่แหละพระปเจกสัมพุทธเจ้าจึงเป็นถูปารหะบุคคล อย่างนึกถึงว่าพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยเคยมีลูกตอนหลังลูกชายก็ออกบวชเป็นพระปเจกกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอดีตชาติพระองค์เป็นสังฆพรามณ์แล้วก็มีลูกชายชื่อว่าอะไรนะลูกชายของท่านที่ตอนหลังไปเป็นบวชเป็นพระปเจกับบวชแล้วได้บรรลุเป็นพระปเจกกับพระพุทธเจ้าซึ่งท่านก็ไปถอนหญ้าถอนหญ้าชําระพื้นที่ไปเอาน้ํารดบริเวณพระเจดีเอาทงเนี่ยนะ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 ทีนี้ครั้งนั้นเนี่ยนะเมื่อพระนลนสอบถามเรื่องราวเหล่านี้เสร็จแล้วเนี่ยนะท่านก็เสียใจมากนะท่านก็ไปยืนในข้อหนึ่งร้อยสามสิบห้าครั้งนั้นพระนนเข้าไปสู่วิหารยืนเหนี่ยวสลักเพศ ร, ร้องให้อยู่ว่าเราเนี่ยยังเป็นเสขะบุคคลยังเป็นพระโสดาบันอยู่เลยยังมีกิจ คือการเจริญศีกขาที่ยังต้องทําอยู่ยังมีกิจที่จะต้องกําหนดรู้ทุกละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญสกะทาคา ม, มิมากอนาคา ม, มิมกักและอรหัตตมักอยู่กิจในการเจริญมักท่านสูงยังมีอยู่แต่ภาษาสดา ข, ของเราผู้เป็นผู้อนุเคราะห์เราจากปรินิพานเสียก็เสียใจเนี่ยนะคือคือเนื่องจากพระนนท์คิดว่าพระองค์เเป็นผู้ที่อนุเคราะห์เราสงสารเรา ท่านก็ไม่คิดกันว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเราจะถวายน้ำสาหรับล้างพระพักแก่ใครพรุ่งนี้เราไม่มีโอกาสถวายน้ำส่งพระพักอีกต่อไปคือท่านมีความสุขในการทำพุทธบูชาเนี่ยนะบูชาพระพุทธเจ้าถวายน้ำท่านก็มีความสุขที่ได้รับใช้พระพุทธเจ้าเอ๊ะนี่เราเราจะถวายน้ำสำหรับล้างพระพักแก่ใครเราจะล้างพระบาทคือล้างเท้าให้ใคร เราจะปฏิบัติเสนาสนะให้แก่ใครเราจะรับบาตรรับจีวรให้แก่ใครเราจะเที่ยวไปกับใครเสยียใจเลยกรเนี้นะเงาแล้วก็ได้ยกเงาเลยคนเดียวแล้วโอ้ยสิรขะสามก็ยังไม่ได้เจริญอธิศีนอาิจิตอธิปัญญาก็ยังไม่บริบูรณ์กุกกำหนดรู้ทุกละสมุทยัยทำนิโรธให้แจ้งก็ยังไม่เพียบพร้อมเลยร้องให้เลยกระนี้น้าําตาพระสุดาบันก็ไหลออกมาเหมือนกันแต่ก็แต่มันก็น่าเสียใจเหมือนกันนะถ้าคิดแบบท่านนะ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็รับสั่งถามพิสูจทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายอาณนล์อยู่ที่ไหนพวกพิสูจนก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านทรานลเข้าไปสู่วิหารยืนเหนี่ยวสลักเพชรร้องให้อยู่ว่าเรานี่ยังเป็นเสขับุคคลยังมีกิจในการเจริญศีกขากําหนดแทงตลอดอริยสัตว์ที่ยังต้องทําอยู่แต่พระศาสดา ข, ของเราซึ่งเป็นผู้อนุเคราะห์เราก็จักปริณิพานเสีย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 ความเป็นต่างๆางคื อ, อยังไงมันก็ต้องมีการพลัดพลาดมันจะต้องจากกันอย่างเนี้ยธรรมดาความพลัดพราดความเป็นอย่างอื่นอย่างไรเสียเราจะต้องจากของที่เรารักของที่เราชอบใจทั้งสิ้นข้อ น, นี้เป็นธรรมดาข้อนั้นที่จะไม่ให้พลัดพลาดจากของรักข้อนั้นจะหาได้จากของรักของชอบใจจากที่ไหนเ่า เพราะสิ่งใดเกิดแล้วมีแล้วปัจจัยปรุงแล้วมีความทำลายเป็นธรรมดาความปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าทำลายไปเลยดังนี้นั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะให้สังขารธรรมเนี่ยยั่งยืนมั่นคงเละถาวรที่จะไม่ให้สังขารธรรมนั้นมีการแตกรกระจายไม่ให้มีการทัดท่าเป็นไปไม่ได้หรอกอ น, อนนท์อนอนท์ เธออบได้อุปถากตถ า, าคตด้วยกายกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตาเธอได้อุปถาตถ า, า, าคตด้วยวจีกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตาไม่ใช่ช่วยแต่ร่างกายนะแบบคนทื่อๆเป็นต้นหม่กายกรรมที่พระนรธรรมต่อพระองค์ก็เพื่ อ, อประกอบไปด้วยเมตตาวจีกรรมที่ทํากับพระพุทธเจ้าก็ประกอบด้วยเมตตาอุปถาพระองค์ด้วยมโนกรรมที่ประกอบ <MA> ไปด้วยเมตตาคุณธรรมเหล่านี้ เป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นความสุขไม่มีสองเป็นคุณธรรมที่หาประมาณไม่ได้มาช้านานคือพระนนท์เนี่ยเจริญกุศลมากอ น, อนนท์เธอได้ทำบุญไว้แล้วก็คือเธอเป็นผู้มีบุญเนะเธอทำบุญไว้แล้วก็แปลว่าเธอเป็นผู้มีบุญอ น, อนนท์เธอจงประกอบความเพียรเจริญศีกขาสามเธอเธอจักเป็นผู้ไม่มีอาสวะโดยฉับพลันนะเธอปฏิบัติเธอไม่นาน้าจะเป็นพระหาราอย่าง รวดเร็วก็เร็วจริงๆอ่ะนะเร็วจงขนาดว่าเหยียดตัวลงนอนยังไม่ทันหลังยังไม่ถึงพื้นก็บรรุแล้วอ่ะนะเร็วขนาดนั้นนะนะไม่กี่วินาทีว่งันะ้นนะเร็วขนาดนั้นแต่แมมแต่กว่าจะบรรลุ ก, ก็ทุกขาปฏิปทาน้ำนา อ, าอะไรนะปฏิบททัติเร็วาน้ำตานองหน้าในหน้า430บอกว่ามตร เตมเตเณกายกรรมเมณะคือว่ามีกายกรรมอันประกอบไปด้วยเมตตาหมายคือว่าพระนนท์เนี่ยนะเวลาถวายน้ําล้างพระพักเป็นต้นเนี่ยปฏิบัติก็ทําด้วยเมตตาจิตคือเป็นคนที่รักพระพุทธเจ้ามากทำให้พระองค์เนี่ยจะช่วยยังไงให้พระองค์สบายที่สุดนะจะทำยังไงให้พระองค์เบาที่สุดสะดวกที่สุดง่ายที่สุดคือว่ามไม่สร้างปัญหาให้พระพุทธเจ้าเลยปัญหาเราใดจะไม่เกิดจากพระอนอนทเลยพันธุ์พระอนอนท์เนี่ยจะช่วยดูแลอุปถัม ที่สุดเท่าที่จะสร้างลายคือคือไม่เหมือนกับบางคนเนี่ยนะเรื่องไม่มีกระําให้มันมีเรื่องกลายเป็นว่าไปยืนกลางอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าเป็นต้นคือท่านท่านนท์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะท่านทำทุกอย่างด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตาเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระนนท์ทำเนี่ยเพื่อความเจริญเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขทั้งกายและใจจะทําดับความดับทุกทั้งกายวาจาและใจท่านท่านทําอย่างนี้ทั้ง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 บุญที่ท่านทําตลอดระยะเวลาสามสี่สิบปีเนี่ยถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่จริงๆกล่าวว่าจักรวาลก็แคบโนนเนวะสัญญาณาสัญญาญตนะก็ถือว่าต่ําเกินไปสําหรับท่าน น, นะนะคือบุญท่านท่านเป็นผู้มีบุญจริงๆแหละมาเพราะาท่านทำกายบุญที่กล่ากายกรรมประกอบไปด้วยเมตตานี้ยังทําบุญที่มีวจีกรรมที่ทําด้วยเมตตาเช่น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 เนี่ยนะไม่นิ่งดูดายในการประพุทิปฏิบัติทั้งโดยร่างกายและโดยวาจาต่อไปบอกว่าเมตเะมโนกรรมเมนะท่านปฏิบัติ ด, ด้วยมโนกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตาเช่นแต่เช้าตรู่ท่านจงท่านจะนั่งอยู่ในที่อาสนะเงียบเมื่อคิดถึงพระพุทธเจ้าขอพระศาสดาจงเป็นผู้ไม่มีโรคไม่มีทุกเบียดเบียนจงเป็นสุขเถิดเรียกว่าเป็นคนที่อวยพรให้พระพุทธเจ้าตลอดขอให้พระองค์ไม่มีโรคไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุข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 เพราะฉะนั้นบุญที่พระอนนท์ที่ทําด้วยกายกรรมประกอบไปด้วยเมตตาบุญที่พระอนนทําที่ที่สำเร็จด้วยวจีกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตาบุญที่ทําด้วยมโนกรรมที่สำเร็จด้วยเมตตากะตะปุญโยสิแสดงว่าท่านเป็นผู้ที่ทําบุญมามากแล้วและบุญในะอดีตชาติของท่านท่านทําบุญบูชามาเนี่ยตลอดแสนมหากัปมาแล้วขณะเดียวกันชาตินี้ลนะ่ะ ชาตินี้ท่านก็ทําบุญแล้วก็ฟังธรรมเนี่ยนะถามว่าใครในโลกจะฟังธรรมเท่ากับพระอานนท์เนีน่ยนะหายากผู้ที่ฟังธรรมเท่ากับพระอานนท์เนี่ยนะท่านฟังธรรมมากแล้วพระอานนท์เนี่ยเป็นคนที่มีปัญญามากเขาเรียกว่าปัญญาของท่านท่านฟังหนึ่งคำเนี่ยท่านเข้าใจได้เป็นร้อยร้อยหนี่เนีเป็นร้อยในเป็นพันในีเข้าใจได้อย่างกว้างขวางท่านเป็นผู้มีปัญญามากถึงอดีตท่านจะทําบุญมามากชาตินี้ท่านจะเรียนมามากฟังธรรมมาเยอะ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 เมตตาสรนเสริญพระพุทธคุณมีอรหันตคุณเป็นต้นก็เป็นวจีกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตาเจริญพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระองค์ด้วยใจก็เป็นมนโนกรรมที่ประกอบด้วยเมตตาถ้าเราปรารถนาจะมีบุญมากเช่นกับพระอานนท์ก็จเจริญเมตตากายกรรมต่อพระพุทธเจ้าเจริญเมตตาวาจีกรรมต่อพระพุทธเจ้าเจริญเมตตามนโนกรรมในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าผู้ใดมีเมตตาในพระพุทธเจ้าคิดว่าจะตกต่ำหรือจะเจริญ